หมู่บ้านเนียม 2372 ถึง 2451 ที่ไปสนใจมันคํา 5 คือร่างกายมี ให้ตั้งใจเจริญกรรมฐานทำกำลังใจ อยากไกลต่อมรรคผลมากพระชื่อ มันทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่กับเราทุกขณะทุก เพราะว่า ต้องใช้เวลานี้เข้าเขายังแก่ไม่มากนี่มีบางคนเขาวาง ความแปรเปลี่ยนของร่างกายและ ที่จะทําอะไรเมื่อลืมตาขึ้น ให้มันคิดอย่างมี 29 อย่าง 11 อย่าง จะเป็นกงดายกงหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบได้ เป็นเครื่องร้อยรับใจเครื่องร้อยรัดไม่ให้เข้าไปถึงความดีพูดง่ายอยอย 3 อย่างคือ 1 2ชช3 ศิลปะตปรามาสความ 3 คือ ความตายไม่ 2 3 อย่างไม่พออีก ต้องการนิพพานจิตมันก็คง จิตจะสังเกตว่าจะมีความเยือกจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนะการกระทบกระเทือนจิตใจคํา มันเบากว่าเดิมมันช้ากว่าเดิมไม่ใช่เดิมมันช้ากว่าเดิมไม่ใช่มีอารมณ์ไม่โกรธ ในรั้วพระนิพพานในกว่าเลวภาย ประการที่สองจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานจิตมี 10 ประการ ไม่ไม่ลักขโมยร้ายสัตว์ไม่ลักขโมยของใครไม่ทำ คือตรัสพยาบาท อย่างละเอียดสงบ ตัวของความโลภอ่อนตัวของความ ในจิตจะไม่มีอารมณ์ละเอียดมากบาง เราอันนี้ไม่ใช่ต้องสังเกตว่าอนาคามีอันนานๆ ก็ต้องศึกษาเป็นพระอนาคมีการศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งชาญไม่ได้เด็กขาดเป็น 1 2 3 4 5 6 7 8 การไม่หลับไม่มีการหลับตาสงฌานนี่ไม่ใช่ของจีน นั่นคือคือฟันต่อไปคือกามฉันทะมันก็ฟันง่ายสิแล้วนี่ความมันจะไม่มีอยู่แล้ว วิธีถึงคือเมตตาจริงคือเมตตาสีเขียวสีเหลืองสีขาวคือ จากนั้น จากสกายาทิฐิตัวนี้ตัวสําคัญมากก็คิด โกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรหมวิหาร 4 เข้าตัดและ เราไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ส่งตัวมีความต้องการอย่างในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามก็ ไม่มีงามแต่รักด้วยเมตตามีกําลังสูง กำลังแก่กล้าความรัก เข้าสู่ความเป็นอรหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรว่า ให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคำคือ ขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปดเราชอบใจชาญขั้นไหนเหมาะแก็ดการาลสมัยเวลานั่งคุยการนี้ี่อย่างน้อยที่สุดให้ทรงชาญที่สอง นายดูไปด้วยใช้ดูรูปร่างของคนดูไปด้วยฟังคําพูดของคน เป็นกําลังแต่ไม่หลงอยู่ รูปฌานต่อมาก็ตัดมานะเป็น เราจะถือตัวถือตนเพื่ออะไรในเมื่อร่างกายของเราถือตัวถือตนเพื่อ 32 เต็มไปด้วยความโสกะ ร่างกายพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าที่ท่าน คลายพระอริยะเจ้าไว้เสมอเสมออย่างมันมีอะไรดี ร่างกายเน่าร่างกายแก่ร่างก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่ากายสกปรกก็ไม่มันเปื่อยเหมือนกันเราคิดว่า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 ต้องดูภายในดูหรือร่าง เราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวสนใจเขาเราสน จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นธรรมดาไปหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใคร ทางสรรเสริญทำอารมณ์ใจเป็นสุขก็อย่าดี หลังจากนั้นนั้นจับเมปัสสนาญาณคือสังโยชน์ 10 สบาย ขณะที่ปล่อยใจตามปกติ